ที่ร้ายที่สุดก็คือเท่ากับทำลายพ่อของตัวเองแม้แต่จะเป็นเพียงภาพจาลองหรืออีกในหนึ่งเกิดจะมากลัวพ่อของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ลูกกระตันยูควรจะทำเมื่อเพื่อนๆได้ยินคุณอำนาจพูดแบบนั้นแล้วก็เลยเลิกเตือนกันไปภาพปั้นก็ยังคงยืนตระงานอยู่ในห้องโถงนั้นเรื่อยมาในลักษณะสง่าผ่าเผยของคุณปู่คุณตาคุณพ่อ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 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ